พระธรรมเทศนาแผ่นที่88ตดลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรรธานีแสดงธรรมในวันที่9ตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่าวิถีทางออกจากทุกข์กล่าวคำอาราธนา พรมา n o นีไปตั้งใจฟังหลวงพ่อจะได้แสดงธรรมและกล่าวสัมโภทนิยกถาให้กับคณะทศไทยญาติโยมแต่คิดว่าตั้งแต่เริ่มงานมันคงจะหลายกันแล้วนะไม่รู้วกกันไหนตกกันไหนแต่ก็ดีเพราะว่ากูบาอาจารย์แต่ละองค์การแสดงธรรม เพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้ง8 4ดพันพระธรร ม, มะขันสุดแท้แต่องค์ไหนท่านได้ปฏิบัติมาอย่างไรท่านรู้เหตุอย่างไรแนวความคิดเห็นท่านยอมรับอย่างไรท่านก็จะมาชี้แจงให้กับคณะพวกเราท่านทั้งหลายฟังเพราะนั้นพวกเราก็มีหน้าที่ฟังและการการกรองไตตรองเหตุและผลที่พวกเราได้ยินได้ฟัง แต่ว่าท่านก็มั่นใจในการแสดงธรรมของท่านแต่และองค์แต่ถึงจะแสดงด้วยความมั่นใจขนาดไหนก็ตามแต่พวกเราผู้ที่ฟังแล้วก็ตั้งความสงสัยเอาไว้นะตั้งความสงสัยเอาไว้ถ้าว่าเราเชื่อทีเดียวเลยเยพูดอะไรเข้ามาเชื่อหมดก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะเราเป็น พุทธศาสานาเอกชนเป็นลูกผิดลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระสาลีบุตรว่าดูก่อนสาลีบุตรที่เราตถาคตตรัสไปนี้เทศไปเนี่ยบอกกล่าวไปนี้น่ยท่านท่านเชื่อไหมพระสาลีบุตรว่ายังก่อนพระเจ้าค่าเพราะยังฆ่าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อฆ่าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้ว ข้าพระ อ, องค์จะมากราบทูนเมื่อภายหลังพระเจ้าข่านะฟังดูซิว่าขนาดลูกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ด้วยกันท่านก็ยังไม่พระพุทธเจ้าตรัสยังไงท่านก็ไม่ไม่ใช่ว่าท่านจะเชื่อทีเดียวทั้งหมดนําไปปฏิบัติ ด, ดูก่อนในเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วอย่าค่อยมากราบทูนพระพุทองค์เมื่อภายหลังพอได้ผลอย่างไงเมื่อได้ผลแล้วก็มา มากราบทูลพระพุทธเจ้านะเนี่ยอันนี้กับพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราครูบาอาจารย์องค์ไหนฟังพูดมาก็ฟังฟังเสร็จแล้วค่อยนําไปปฏิบัติในเมื่อนําปฏิบัติแล้วนะนะั่นน่ะเออใช่ที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแ น, นะนะํามานั้นน่ะถูกต้องออกับนิสัยของเราแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะ ถูกต้องกับ ท, กทุกคนก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันนะให้พวกเราฟังเอาไว้อีกเหมือนกันเพราอะองไรเพราะพระในครั้งพุทธกาลลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรอีกเหมือนกันนะนะพอบวชเข้ามาแล้วพระสารีบุตรสอนกรรมฐานให้ที่ท่านปฏิบัติมาอย่างไรท่านก็สอนให้ทุกอย่าง พระองนั่นก็เอานำไปปฏิบัติพอนำไปปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลกลับมาหาอาจารย์อกีกกลับมาหาท่านพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็แนะนำให้เอกให้ละเอียดถีทวนเข้าไปอกีกแล้วก็กลับมาอกีกพระสารีบุตรก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะมันพระองค์นี้มันไปภาวนาหรือเปล่าหรือว่ามันไปคุยกันหรือมันไปทาอะไร ทำไมเราสอนให้ขนาดนี้แต่ทาไมมันน่าจะเข้าใจแต่ทําไมไม่เข้าใจก็สอนให้ละเอียดอีกแต่พระก็รายงานว่าเขาก็ไปภาวนาของเขาแต่เขาก็เร่งภาวนาของเขาครับทานาจารย์สารีบุตรพระสารีบุตรก็สอนให้อีกให้ถีท่วนเขาไปอีกจนหมดไส้บทดพุงของตัวเองนะ่ะ มีความรู้อะไรมีความสามารถอะสอนให้หมดกลับมาอีกบอกว่ากับผมใจของผมอย่างไม่ได้รับความสงบมันมันยังเอาไม่อยู่ครับภาษาไรบุตรเ อ, ออันนี้มันทํำยังไงวะมันหมดหมดพรมเลยสินะก็พาพระองค์นั้นไปกราบพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระองค์พระพุทธเจ้าพระพุท ธ, ท ธ, ทธองค์บอกว่าดูก่อนสาริบุตร อันนี้ไม่ใช่วิสัยของเธอจะสอนพระองค์นี่นะเป็นวิสัยของพุท ธ, ธะเราเท่านั้นจะสอนพระองค์นี้ได้เอาเถอะเย็นวันนี้แหละไปเธอกลับไปก่อนไปวันนี้แหละเราจะสอนให้เขาจะได้สําเร็จเป็นพระอราหันต์ในวันนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อพูดให้ฟังครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละมาแสดงธรรมให้กับพวกเราเออแต่ บางองค์พูดขึ้นมาพวกเราก็ยอมรับได้เป็นบางเป็นบางองค์เป็นบางคนนะแต่บางคนก็พอได้ฟังแล้วก็โอยอย่างนั้นอย่างนั้นละอขวงหูอีต่างหากอย่างนั้นก็มีเนะพราะนั้นสรุปแล้วก็คือครูใครอาจารย์เรานะถ้าอาจารย์ของเราที่เคยเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนพอพูดทำไมเออใช่ถูกต้องจริงๆพูด เข้ากดเข้าเกณฑ์จริงๆครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเออใช่อย่างนี้สิอ่าแต่บางองค์บางคนก็บอกฟังโอ้ยกระจายกันอย่างนั้นแหล ะ, ะนี่แหละสรุปแล้วก็คือจะให้ได้ทุกคนคงจะเป็นไปไม่ได้ในการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์เพราะนั้นในงานนี้ครูบาอาจารย์จึงมาแสดงธรรมมากมายลายหลายองค์พวกเราก็เลือกฟัง เ, เลือกฟังธรรมคำสอนของแต่ละท่านแต่ละองค์ท่านจะสอนยังไงในธรรมะภาคปฏิบัติสำหรับพวกเราเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังฟังครูบาอาจารย์ฟังองค์หนึ่งก็ได้แนวความคิดอย่างหนึ่งฟังดังน่งก็ได้แวได้อย่างหนึ่งแต่หลวงพ่ อ, อที่จะแนะนำสั่งสอนก็นาะทาญาติโยมหลวงพ่อก็มั่นใจในความคิด ในการปฏิบัติของหลวงพ่อเหมือนกันนะคณศสัตย า, าติโยมทุกท่านนะพอหลวงพ่อเองศึกษามาตั้มเเป็นสมณี น, น, น, น, น, น้อยแต่แต่อายุ1ิ 11, อย่าง12ปีอยู่กับหลวงปูล่ลาเป็นสมณีน้อยู่ทั้ง8ปีอยู่ปา่าเป็นพระกรมฐานไม่ได้เรียนนักธรรมตรีโทเอกแต่เรียนแต่เฉพาะตามตำรับกรรมรา จากหนังสือที่ครูบาอาจารย์ท่านขนมาให้ศึกษาเป็นพระไตรปิฎกบ้างเป็นเกี่ยวกับสาวกสาวกประวัติว้างพุทธประวัติบ้างพุทธภาสีบ้างมีมากมายที่ขนที่ท่านเห็นว่าจะให้ลูกศิษย์ของตนเองรู้ทางฝ่ายปริยัตนะลุงพ่อก็ได้อ่านได้ศึกษาทางฝ่ายปริยัตเป็นสมเด็จอยู่แปดปี บวชปีสองพันห้าร้อะลูกหลานนะอนรรานาตทญาตโยงหลวงพ่อจะเล่าประวัติไก่าๆให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังพอปีก่อนก็คงจะเคยเล่าแล้วละคงจะลืมนะปีนี้มาเล่าอีกแล้วก็ปีศูนย์แดหลวงพ่อบวชเป็นพระเป็นสามเณรแปดปีบวชปีศูนย์ปดปิดพระปีนี้ก็เป็นปีห้าสิบแปดถ้าคิดดูแล้วก็ห้าส ปีพอดีเป็นพระนะพระหลวงพ่อใน50ปีบวก8เข้าไปอีกเป็น58ปีถ้าพันษานี้ผ่านไปแล้วนนะี้กับอยู่ในพันษ า, าพรรษาถูถ้าพันษาเนี่กเป็น51าสบเอะผา 51, บวก8เข้าไปอีกก็เป็น59ปีเพราะฉะนั้นชีวิตของหลวงพ่อฝากฝังวันในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา59ปี หลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติที่หลงพ่ออยู่ในปา่าดงพงไพยถ้าไปดูสถานที่ของหลวงพ่ออยู่แล้วก็ล้วนแล้วแต่แต่สมัยศึกษาก็คือศึกษากอยู่กับหลวงปู่ล่าปู่เจ้า ก, ก็เป็นเวลา9ปีอยู่กับหลวงปู่จามที่เนลวมอาสองปีอยู่กับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งปี มาอยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลาสิบสี่ปีนี่แหละอันนี้ก็คืออยู่กับครูบาอาจารย์ที่ได้ศึกษาจากนั้นก็ออกไปอยู่วัดเข้าออกไปมาหาสู่ครูบาอาจารย์ไปไปเข้าเข้าออก เ, อเพื่อศึกษาแล้วก็ยังรักเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใ น, ในปฏิปทาของท่านนี่แหละสรุปแล้วคือคือชีวิตของหลวงพ่อที่ ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเวลาถึง50กว่าปีเพราะฉะนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรที่จะนำมาบอกกล่าวแนะนําสัง่งสอนคณะทายาติโยมผู้ที่เข้ า, ามาศึกษาธรรมะที่ท่านเข้ามาฝังตัวอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา50กว่าปีเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรได้ศึกษาธรรมะ ในภาพปฏิวัติกิตตภวนาอย่างไรนี่แหละหลวงพ่อได้นําทางได้ศึกษาทางหลักพระธรรมวินัยในหนังสือในพระไตรปิฎกแล้วก็แกนแวความคิดของครูบาอาจารย์แต่ละองค์แล้วก็ที่ท่านไน้นำสั่งสอนจากนั้นตัองค์ตัวเองก็ตัวของเราเองก็ะพฤติปฏิบัตใิในการประพฤติปฏิบัติของของเราด้วยเพราะฉะนั้น หลายๆอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้ประมวลเข้ามาอยากได้เห็นว่าสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมอย่างวันนี้ละ่ะหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จะได้นำมาในสิ่งเหล่านั้นมาบอกกล่าวให้กับคณะศรัทธาญาติโยมให้ได้ฟังให้ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติมาอย่างไร ได้ผลมาอย่างไรได้รู้เห็นมาอย่างไรได้ศึกษามาอย่างไรก็จะถ่ายทอดให้กับพณะตัด ถ, ถ่ายญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นก่อนอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายอีกเหมือนกันอย่างที่หรงพ่อพูดดูก่อนสาลิบุตรอย่างที่ว่าท่านเชื่อไหมที่เราที่เราตถาคตพูดไปนี่ตรัสไปนี้เนะี่ยอันนี้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านจะได้กันกรองไตรตรองอีกที่หนึง่งนะ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 ขยะวยะธรรมมาสังฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดทาตีติวันนี้เนื่องในงานทาบุญอายุวัฒนมงคลครบร้อยสี่ปีแปดสิบสี่พันษาพระอุรงยานโมรีวงเล็บหลวงปู่จันศรีจันทธทีปโป จะเอาวาสวัดโพ ธ, ธิสมพรพระอารามหลวงตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันนี้เป็นวันที่9ตุลาคมพุทธศักร 58, าช2558เกาวประวัติถึงลุงปู่ไว้เพียงท่านี้เพราะว่าองค์อื่นๆที่แสดงทำม า, าท่านคงจะกล่าวมากกว่านี้นะ อันนี้หลวงพ่อเพียงจะวอกกล่าวให้รู้ในหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมแล้วก็จะได้กล่าวประวัติถ้าไม่พูดถึงท่านเฉลยมันก็ขาดไปนะวันนั้นหลวงพ่อจะได้กล่าวให้กับพ ร, รทธายญาติโยมหลวงปู่ของเราท่านอายุถึงร้อยสปีแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าอายุหย่อนหย่อนร้อยปี ก็เป็นผู้มีอายุมากแล้วถ้าเกินร้อยปีอันนั้นแปลว่าผู้อยู่ในวัยชราชราภาพอย่างมากช่วยตนเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นพยุงหรือว่าอาศัยผู้อื่นการเป็นอยู่เพราะอะไรเพราะร่างกายของเราท้องท่านผู้นั้นย่ําแย่ลงไปแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง อย่างพวกเราพวกหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกันคณะรัษฎาญาติโยมลูกหลานปีต่อไปอาจจะมาแสดงธรรมไม่ได้ก็ได้เพราะปีนี้รู้สึกว่ามันรู้สึกอยู่กับตัวเองทั้งหมดรู้เลยว่าเป็นอะไรเพียงอายุ71ปีในคณะรทาทฎรญาติโยมลูกหลานแต่หลวงพ่อปีนี้71แต่ขณะนี้หลวงพ่อก็จำนึกรู้ตัวเลยแล้วว่าคืออะไร ความชราภาพด้วยความแก่ร่างกายกําลังวังวังชาเนี่ยหดถอยลงไปมากหดถอยลงไปมากแต่ขณะหลวงปู่ร้อยสี่ปีเนี่ยท่านก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเออร่างร่างกายในหมดสภาพแต่จิตใจของท่านนั้นอันนั้นอีกส่วนหนึ่งในความเข้มแข็งแต่ถึงยังไงถึงท่านจะเด็ดเดียว อาหารขนาดไหนก็เถอะเหมือนกับเราใช้รถใช้รถอายุมากเราใช้รถมาหลายปีเราขับใช้มาพอเนเราพาักพอขับรถเป็นแล้วกใช้รถแล้วก็ขับอยู่ตลอดขับถึง้งสิบยี่สิบปีแต่ตัวของเราเนี่ยเอาเถอยังจะยังห้าวหาญจะไปเหมือนแต่ก่อน มันไปไม่ได้นะรถมันไปไม่ได้เพราะรถมันหมดสภาพแต่โซเฟอร์เนีเออ่อยากจะทำอยากจะเหยียบคันเร่งตลอดเพื่อให้มันรถไปตามสิ่งที่ตัวเองต้องการอยากจะให้มันไปแต่รถมันหมดสภาพมันมันไปไม่ได้นี้ก็ลักษณะอย่า ง, งานั้นเหมือนกันนะขนาศาา้ศราชกาญาติโยมครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่ อ, อเนี่เหมือนกัน หลวงพ่อเนี่ยอยากจะเดินแบบเอเร็วๆแต่ว่ามันดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เชิงช้าไปหมดคือบงังคับไปมันไปไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะร่างกายร่างกายกับใจใจกับร่างกายอาศัยกันอยู่เอเหมือนกับรถมันแก่ลักษณะนั้นแ่ะเผอเผยอย่างอย่างในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะมรรมพาลาฮาเวปัญจคันฐาเป็นพระ คันทั้งห้าเป็นภาระหนักท่านยังบอกเป็นภาระหนักพารยูภากิจภาขับภาถ่ายภารพยายามทนุถนอมอตัวเองอีกต่างหากถ้าไม่ทนุถนองก็ไม่ได้พังได้ง่ายๆมันเป็นภาระหนักที่เดียวภารเฮเวปันจากขั้นถาขันทั้งห้าร่างกายสังขารรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสร่างกายมันเป็นเรื่อง ตาหูจะบวกล่นกายมันเป็นเรื่องภาละหนักเพราะนั้นถึงจะหนักยังไงก็เป็นเรื่องของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะได้เกิดมาแล้วอ ย, อยู่ในร่างกายแล้ว น, นี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุทธะ ถ, ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขไม่เห็นโทษนะพวกเราก็คงจะเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาพบหน้าชาติหน้าคงจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่น ทั้งจะมีถึงจะมิมั่งมีสีสุขกล่ํารวยมีเงินคําทรัพย์สมบัตมมมมิมากขนาดไหนก็เถอะมีความสุขมากขนาดมากขนาดไหนก็เถอะนั่อแต่ว่าพวกเราก็จะต้องได้ใช้ธาตุขันอย่างนี้พอในุกทีสุดก็คือหิวกระหายเย็บไข้ได้ป่วยที่ทุกที่สุดก็คือมรณะภัยเข้ามาถึงวันที่มรณะภัยเข้ามาถึงวันนั้นอะ่ะพวกเราพวกเราจะเห็นได้ชัดว่า มันเราไม่ยากเราไม่อยากจะได้อะไรทั้งหมดที่ผ่านผ่านมาเอเพราะอะไรเอเพราะว่าเอความทนทุกทรมานในช่วงที่ใจจะขาดพวกเราไปเห็นกันแล้วกันแต่พอใจขาดออกไปแล้วเกิดมาพกหน้าชาดหน้าเกิดขึ้นมากับลืมอีกเอลืมอี ก, กเกิดอีกนะแต่พราะพระเจ้าที่ท่านได้รู้ เรื่องทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันท่านมองเห็นเลยเลยว่าการเกิดที่เป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ท่านมอ ง, มองเห็นแต่เมื่อท่านมองเห็นท่านจึงไม่ไว้ใจขณะท่านท่านมองเห็นแบบผิวเผินนะอท่านมองเห็นแบบผิวเผินท่านยังไม่ได้มองเห็นทางทางด้านทางทัศ อดด้านธรรมที่ท่านได้นั่งสมาธิเห็นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ท่านเห็นเพียงแต่ว่าสมัยท่านครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมื่อสมสมัยเมื่อเป็นอฟ้าหนุ่มฟ้าชายหนุ่มพระบิดาก็ประครบประงมไม่ให้เห็นสิ่งที่แปลกปลอมสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคล สิ่งที่ไม่พึงปราถนาอย่างค น, คนแก่คนแก่คนป่วยหรือว่าสิ่งที่ไม่พึงปราถนาคนขี่ไล่ขี่เลงหูหนวกตาบอดกรง พ, งพิการอย่างเนี้ยพระเจ้าสุทธโธทนะท่านจะไม่ให้จะไม่ให้เข้ามาใกล้ไกลในบริเวณที่ศิทธิ์่าจะเสด็จไปไปในบริเวณนั้นมีแต่ ประดับด้วยดอกไมก้ความสวยงามผู้คนเห็นมาก็มีแต่เหมือนกับสวรรค์ไกลๆลักษณะอย่างนั้นอ่ะแต่พออายุสิทธทัตาเนี่ยเข้าถึงยี่สิบเก้าปีนางพิมพายโสธราก็ทรงคันแก่พร้อมที่จะคลอดบุตรอยู่แล้วพระเจ้าจุโทธทนะท่านก็มองมองเห็นว่าเออน่าจะออน่าจะติดโลกราชทีนี้น่าจะอยู่ได้แล้ว ท่านก็วางมือบ้างท่านวางมือให้า้ๆว่าท่านไม่ได้พิถีพิถันเข้มงวดหวดคันคนที่พกุกพานผ่านไปมาให้เห็นธรรมชาติขึ้นมาคือธรรมชาติของคนก็บอย่างพวกเราเห็นอย่างหูหนวกตาบอดขาเป๊ะขาขาดเป็นบ้าอยู่ข้างถนนผมยาวๆลักษณะอย่างนั้นมันมีเต็มไปหมดอยู่ในอยู่ในโลก เออแต่นี้พอพระเจ้าจุโทธนะวางมือท่านไม่ได้ดูแลให้เห็นเป็นธรรมชาติเพราะท่านจะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองประเทศชาติต่อไปภายภาคหน้าแล้วเนี่นทิฏฐะท่านเท่านไม่เคยเห็นอย่างอื่นท่านก็เสด็จไปกับนายชนะไปสวนอุทยานก็ไปเห็นคนแก่ เออถือไม้เท้าผมขาวหลังคอมเออดูดูแล้วหนังเหียวย่นไปหมดชนะอันนั้นคือใครอันนั้นคืออะไรเนี่ยแหละคือพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยเห็นคนแก่มาก่อนพอเห็นนะอันนั้นคืออะไรชนะอันนั้นคือคนแก่พระเจ้าค่ะนะทำไมแก่โอ้ทุกคนถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องแก่อย่างนั้นแล้วพระเจ้าค่ะต้องเป็นทุกคนเอา้าเราจะแก่ไหม จะแก่อย่างนั้นไหมเหมือนกันพระเจ้าข่านโอ้โหถ้าหากว่าเหมือนกันน่ะเราจะหาความสุขได้อย่างไรเมื่อแก่มีร่างกายอย่างนั้นอันนี้คือเกิดความสลดสังเวชใจอย่างใหญ่หลวงสาหรับสิทธธัศถะเนี่ยพ่อเห็นนะพอเห็นคนแก่แต่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นคนแก่เห็นกันอย่างนั้นอย่างนั้นละ่ะเออแต่ศิทัศนเห็นท่านอย่างลึกเข้าไปสู่ สู่หัวใจของท่านเลยโอ้โหจะหาความสุขได้อย่างไรเมื่อแก่อย่างนั้นอย่างนั้นเออท่านก็ให้กลับวันนั้นให้กลับเวียงวังไม่สีวิไลแล้วที่จะไปข้างหน้าพอเห็นคนคนแก่อย่างนี้เออพอไปพอไปในเวียงกลับไปในเวียงวังท่านก็ไปคุ้นคิดเรื่องเทวาจะทํำยังไงจึงจะไม่จะประปับปรุงยังไงจึงจะไม่ให้แก่ จะใช้ยาอะไรจะทำยังไงจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำไม่ให้แก่จากนั้นก็คิดไม่ออกเหมือนกันจากนั้นก็ไปเอวันต่อต่อสามสี่ห้าวันหกเจ็ดวันไปไปเห็นคนเจ็บติ่นชักติ่นชักงออยู่ในเปเที่เขาหามผ่านหน้าไปอันนั้นคือใครเขาเขาทำเป็นเขาเป็นอะไรอันนั้นเขาเจ็บใครได้ป่วยพระเจ้าค่ะนายสารธีที่บอกกล่าวในฉนะันนา เราเนีจะเจ็บป่วยเหมือนเขาไหมเป็นเหมือนกันพระเจ้าค่ะอันนี้ก็เกิดความสลดสังเวชใจอีกเหมือนกันนี่แหละคือความสลดสังเวชใจเป็นครั้งที่สองท่งานก็กลับมาอีกไม่สีฟิไลอีกเหมือนกันพอกลับมาพอไปเห็นไปครั้งที่สามไปเห็นคนตายยิ่งหนักก้ก่อกเก่าอีกหามผ่านหน้าเข้าไปคือประเทศอินเดียเขาไม่ได้ใส่หีบใสโลงใช่ไหม เออเขามีแต่อาผ้าขาวพันๆๆเสร็จแล้วก็หามไปเลยคนตายเออชิตาธไปเห็นอันนั้นคืออะไรคือคนตายเออทำไมเขาจึงตายนายสารธีก็บอกว่าทุกคนเกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะหลีกหลีหนีพ้นไปได้เรื่องมรณะภัยต้องตายด้วยกันทั้งนั้น เ, เราจะตายไหมไม่ไม่เว้นชิตาธาสะสลดใจอีกก็กลับมา พอกลับมาขาวนี้ที่ครั้งที่สามก็มาคุ้นคิดอีกอย่างเก่านะคิดไม่ออกเหมือนกันพอครั้งที่สี่ไปอีกเท่านั่งรถไปไปเห็นสมณะคือนักบวชคือพระนะนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้เออเป็นนักพวชนักพรตนักบวชเออแต่คงจะไม่ใช่พระสีเหลืองอย่างที่ว่าอาจจะเป็นนักพรตรู้ว่าเป็นนักพรตนักบำเพ็ญออกจากบ้านจากเรือน ไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้นั่งขัดสมาธิแลวก็ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งหลับตาเน่งอันนั้นคือใครสันนะอันนั่นคือส ม, มณะแปลว่าผู้สงบเออออกจากบ้านเรือนออกมาหาอยู่ตามลำพังคุ้นคิเออในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วว่าสมมณะผู้สงบเออเพียงเท่านั้นแหละ เอออันนี้เนี่ยถ้าเรามาทําอย่างศีตมาทําอย่างเนี้ยอย่างสมณะเนี่ยเรามาทําอย่างเนี้ออกมาจากที่อวุ้นวายเน่ยมาทําอย่างเนี้ยคงจะมีช่องทางที่เราต้องการแต่ถ้าเราอยู่ในเวียงวงังมีแต่เรื่องเ อ, อค้นคิดเ อ, อทํำยังไงจะพัฒนาประเทศอย่างไรจะ รักษาประเทศชาติอย่างไงจะดูแลการเงินการคลังอย่างไรในประเทศชาติเราคงไม่มีโอกาสที่จะหาโอกาสได้เท่า่จะทำอย่างไงที่ไม่มาเกิดมาแกมาเจ็บ ม, มาตายคงจะคิดไม่ได้แต่มาถ้าคิดอย่างมาทำอย่างสมณะท่านนี้นะเนี่ยท่านคงจะทำได้อันนี้แหละคือเป็นเรื่องราวและเป็นสนวนแรกนะคณ า, า, าญาติโยมลูกหลาน คือพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นแล้วท่านจะเกิดความอยากหนีออกจากเวียงหวังจากนั้นพอเข้ามาไปเที่ยวสวนอุทยานกลับมาก็ทราบข่าวว่าพิมพาอัคคมเหสีพิมพายโสธราประสูตล พ, พ, พระราหุอจากนั้นเขาก็ไปแจ้งข่าวว่าโอ้พระ อ, องค์ได้พระโอรสพระโอรสแล้วหน้าตา แข็งแรงยิ้มเรี้ยวอายอาุน่ารักพอท่านได้ยินเพียงแค่นั้นเอ่ะท่านก็บอกคลายๆเรามันมันมันมันซึมลึกเข้าไปในจิตใจเพราะความรักในในบนะุตรเนี่อถ้าหากว่าเราอยู่ต่อไปภายภาคหน้าเราคงจะผูกพันมากกว่านีา้ท่านก็ตั้งอุ คำถามขึ้นมาเนี่แหละเครื่องผูกพันเกิดเกิดกับเราแล้วเครื่องผูกพันเกิดกับเกิดกับเราแล้วก็ว่าลหูนะละหูนะคือพระราหุลเนี่ย ค, คือเครื่องผูกพันความหมาย เ, เราต้องหนีจากเวียงวังในในคืนนี้เพราะท่านคิดมาจนพอแรงแล้วนะว่าจะเอาอย่างไงให้เขาว่าท่านไม่ใช่คนหนีออกจากเวียงวังไปแล้วกับหน้าเกียดหน้าชังไม่ใช่ท่านเด่นใคล้ายๆกับ จดหนีไปยังไงจะไปค้นคว้าศึกษาหาสมบัติได้ยังไง เ, ออเมื่อได้สมบัติมาแล้วเราจะจะต้องมาแบ่งปันให้กับวงสาคณนายาตญาติมิตรสหายหรือว่าผู้ที่รักเคารพที่เราได้สมบัติมาท่านไปหรับสอบแสวงหาทรัพย์สมบัตออิไม่ใช่ว่าท่านจะไปหนีเอาตัวรอดอย่างที่คนบางคนที่คนภาละชนคิดกันนะออบางคนภาละชนก็ว่าลกสีทัตตั ด, ตด ช่องน้อยเอาตัวรอดไม่ใช่ท่านไปบำเพ็ญอยู่ในป่าตรงพงไพยทีนี้พอท่านออกจากเวียงวังไปได้สิท่านไปบวชจะตั้งหกปีไปบำเพ็ญอยู่ตั้งหกปีอยู่ตามลำพังคนควาศึกษาลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดจนเวลาหปีจนถึงวันเดือนหกเพนนะวันนั้นที่ ท, ท่านได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ให้พวกเราฟังศึกษาจุดนี้ นี่แหละคือสูตรสาเร็จที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันนั้นคือท่านทำอย่างไรนี่อันนี้พวกเราฟังนะเหมือนกับพวกจะไปใครก็ตามจะทำนานกี่ร้อยกี่ร้อยครั้งก็ตามแต่ว่ามันมันไม่ได้ผลแต่เมื่อเขาทำครั้งเนี้ยถ้าเขาทำวิธีการทำของเข า, าเขาทำอย่างไรเขาจึงได้ผลเต็มที่นี่แหละอันนี้คือสูตรสาเร็จนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่าน ไปบำเพ็ญอยู่ถึงห้าหกปีนะ่นแต่วันสตรสำเร็จอันนั้นคือท่านเรียนมาเฉยๆท่านเรียนมาศึกษามาแต่ยังไม่จบนะแต่วันที่สำเร็จท่านทำยังไงท่านนั่งคัดสมาธินะ่ะศรัทธาญาติโยมพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะท่านนั่งสมาธิในโคนต้นโลในวันนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินยังไม่อัส ด, ดง ท่านพูดเป็นภาษาบาลีว่าท่านไม้อจดงคือไม่ตกดินยังมีแสงสว่างอยู่านายโสธิยะาหาบยญาคาผ่านมา เ, าเขาไปเกี่ยวยญาคาแล้วก็หาบผ่านมาเขาเห็นศิษฐัตานั่งอยู่ตามลาพังนั่งอยู่ในท่าไม่สบายเพราะเห็นแล้วเพราะโคต้นโพนมันเป็นลากฝอยลากมันโผล่ขึ้นมาในพื้นดินพวกเราคงจะเคยเห็น ต้นโพแกละมันจะมีรากฝอยแย่ย้เยี้ยไปหมด อ, อยู่ในแผ่นดินคล้ายๆว่า ม, ม, มันมันลอยขึ้นม า, าในโสททิยาก็จิทธรนั่งอยู่ตามลำพังคงไม่สบายอยู่ในารากโพน่ะเาขาควรจะเอายากาคาไปมอบให้แก่ท่านเเขานี่ะคนรู้คล้ายๆบอกคนเห็นกันเกิดศรัทธานะ เอเกิดจตหาเห็นจิตตานั่งอยู่ตามลาปางเอายาาคาไปถวายท่าน8กํามือเอข้างละสี่กำมือน่เป็นหากมาฮะเอจากนั้นจิตตถาท่านในยาคาไปท่านก็มองหาทิศทางท่านก็มองเห็นทางทิศตะวันออกนะตัวของต้นโพพอมองทเห็นทางทิศตะวันออกเป็นที่เหมาะท่านก็เอายาาคาเอสี่กำมือเอเกลี่ยลงไปและก็อีสี่กามือประสานกัน เอาหัวไปโคนละทางเอาหางประสานกันจากนั้นท่านขึ้นเสร็จแล้วท่านขึ้นเป็นนั่งนั่งอาชนะคือยากขาอาชนะเป็นยากขาจากนั้นพระองค์ก็เอานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าฟังดูนะที่นี้นะนี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้านะ กำหนดลมหายใจเข้ารั้วหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกไม่ให้ใจใจพระไทยของพระองค์คิดไปในอดีตแล้วก็คิดไปในอนาคตให้ใจของพระองค์อยู่ในปัจจุบันคือที่ปลายจมูกเท่านั้นนี่แหละอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างหลวงปู่ ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกว่ากําหนดลมหายใจเข้าออกนั้นให้เหมือนให้ถือเสมือนเหมือนเราอยู่ข้างประตูคนเราคนใครเข้ามาเราก็รู้ว่าคนเข้าแต่ไม่ต้องตามคนเข้ามาในอาคารมาศาลาหลานี้เขาจะไปทำอะไรเราไม่ต้องตามคนเข้ามาเวลาลมผ่านออกไปเมื่อเราคนผ่านออกไปเราก็ไม่ต้องตามคนออกไปเพียงแต่เรารู้ว่าคนเข้าคนออก คนเข้าคนออกคนเข้าคนออกเท่านั้นเองนี้ก็เหมือนการที่เรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้อยู่ที่เอ่อข้างจมูกหรือปลายจมูกลมเข้ามันก็รู้สึกมีความเย็นแล้วก็ลมออกเราก็รู้อันนี้เพียงว่า ก, กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่บางคนก็บอกว่ามันไม่เห็นถ้ามันไม่เห็นหายใจแรงลงพ่อบอกนะ ออันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านท่านรู้ได้แต่พวกเราหายใจเข้าหายใจออกยังไม่รู้สึกปกหลมพ่อเลยบอกว่าหายใจแรงๆสืบหายใจแรงๆเข้าไปอหายใจแรงๆเข้าไปแล้วก็กระแทกหายใจแรงๆออกมาหายใจเข้าหายใจออกแรงๆเราจะรู้ได้ลมกระทบที่ไหนเมื่อลมกระทบที่ไหนให้เอาสติจับอยู่ที่ตรงนั้น ท, ที่ปลายจมูกนั้นที่ช่องที่ลมผ่าน ในจมูกนั้นอันนี้ก็คือกําหนดลมหายใจเข้าในพระพุทธเจ้าท่านสิทธัตถะท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกท่านไม่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาไปทิ้งอนาคตที่ยังไม่ถึงให้พระไทยใจของพระองค์อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังนะจุดนี้แหละเนี่ยคือที่พระพุทธเจ้าเป็นกุญแจดอกแรกเอที่พระพุทธองค์จะเปิดเข้าสู่มรรคส่ผล ต้องมีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปัญญะคือความรู้ตัวให้อยู่ที่ปลายจมูกจากนั้นพระไทยใจของพงศ์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัตนะเกิดฌานขึ้นมา เ, เกิดความรู้พิเศษขึ้นมาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติขนหลังได้นี่แหละ คือสมาธิเกิดสมาธิจักก่อนนี่เกิดเกิดฌานเกิดผสมมาฌานตุติจัฌานตัติจัฌานจตุทัฌานถ้าหากว่าจิตไม่สงบจิตไม่รวมสงบไม่มีไม่มีเอจะเป็นเกิดจะเกิดฌานได้ยังไงอันนั้นแหละเคยฌานเป็นผลได้จากสมาธิในเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิเอยอยู่นิ่งแล้วในเมื่อจิตของเรานน่งแล้ว เ อ, อเกิดยาลัทธินะเกิดชาติระลึกชาติผลหลังได้ยังว่าปลุกเพยนี่ว่าระลึกชาติผลหลังนี่แหละหลักของพุทธศาสนาให้คณะสัทยานญาติโยมไฟฟังเอาไว้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะอะไรเพราะถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวจะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะใ ห, ให้พวกเรานึกเอาไว้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพอถึง จากนั้นพระองค์ระลึกถึงพระองค์เองเรามาจากไหนเรานั่งอยู่นี่มาจากไหนชาติที่แล้วเรามาจากสวรรค์สวรรค์ชั้นรุสิษฐเรากําลังจะขึ้นไปอยู่ชั้นอื่นแต่ผมได้อลาตน า, า, าลงมาเราลงมาเกิดแล้วก่อนที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นรุสิษฐ์มาจากไหนมาจากพระเวชชันดอนนี่แหละมองดูแล้วสิ มองย้อนย้อนหลัง ย, ย้อนย้อนย้อนหลังไปดูรู้ได้หมดว่าในอดีตชาติของพระองค์นั้นยาวเยียดเลยส่านนีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติรู้ได้หมดเพราะญารณรัตนะจุดนั้ น, น่ะคือจิตพระไทยใจของพระองค์สู่เข้าสู่ความสงบเกิดความรู้พิเศษจากนั้นพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็มองดูสัรพสัตต์เออเหมือนกับหลวงพ่อเนี่มองดูคณะสัทธายาติโยมอย่างเนี่้มองดูแต่ละคนทําไมไม่เหมือนกัน เกิดมาเหมือนเป็นคนเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัวไม่เหมือนกันความร่ํำรวยไม่เหมือนกันความสวยงามไม่เหมือนกันความเฉลียวฉลาดไม่เหมือนกันมันแปลแตกต่างกันไปหมดจนถึงพิกงพิ ก, การทางสมองเป็นบะเป็นบอมีมากอยู่ในเกิดอยู่ในโลกทําไมไม่เหมือนกันเพราะพระพ อ, รองค์ท่านก็มองดูแต่ละดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณนี่เขาทำสิ่งไหนกรรมอันไหนไว้เขาจึงมาได้รับกรรมอย่างนี้เป็นอย่างนี้ท่านบอกว่ามองดูแล้วท่านบอกโอ้สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาด้วยกรรมกรรมคือการกระทาคิดทำโทษการทำกรรมทำได้สามถานคือมโนกรรมคือคิดไม่ดีคิดดีคิดไม่ดีถ้าคิดดีแล้วบอกกุศลกรรม ถ้าคิดชัว่วเลยว่าอักุสละกรมถ้าทำดีแล้วว่ากุสละกรมถ้าทำชั่วอักุศลกรรมถ้าพูดดีแล้วว่ากุศลกรมถ้าพูดชั่วแล้วอกุสละกรมทั้งคิดก็ดีทำก็ดีพูดก็ดีมี Ideally, สองอย่างถ้าคิดดีพูดดีทำดีเป็นกุสลคิดชัว่วทำชั่วพูดชั่วเป็นอากุสลในเมื่ออากุสลให้ผล คนเราก็แตกแตกต่างกันกรรมชั่วให้ผลก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาถ้ากรรมดีให้ผลคนนั้นก็จะเป็นสิ่งสิ่งที่พึงปรารถนา เ, เป็นที่ต้องการร่ลำรวยสวยงามติตปัญญาหน้าานะอะไรดีไปหมดเพราะกุศลในการทำคิดดีทำดีพูดดีถ้าอกุศลให้ผล มีแต่เรื่องเรื่องเลวร้ายทั้งหลายมีแต่เรื่องราวต่างๆามีแต่ใช้ใช้คำที่ไม่ดีนี่แหละพระพทธองค์บอกว่ากรคมชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าในเมื่อคิดชั่วทาชั่วพูดชั่วคมชั่วให้ผลตนนั้นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้คือพระพุทธองค์ได้ตรัส เป็นโอวาทปฏิโมกภายหลังว่าอากตังดุกตังเส้ยโยปัจชาตปฏิดุกตังกรรมชั่วจะทําเสด็ดีกว่ากรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นและจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้อันนี้ก็คือพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ตอนเที่ยงคืนว่าจุตูปะป่าตะยานพอสนยวนสว่างเอท่านได้สําเร็จเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ จุดนั้นน่ะท่านก็มองดูพระไทยของพระองค์มองดูใจใจดวงนี้ทําไมทําไมมาเวียนไหวาตาเกิดเดี๋ยวก็มาเกิดสูงสู ง, สงต่ำต่ำล่ำหล่อนรวยรวยสวยสว ย, สวยงามงามทุกทุ ก, ทกจนจนมันเป็นไปได้ทั้งหมดเปล่าเปล่จะเกิดเป็นหมูหมากไก่ไก่ก้าไก่เป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนสัตว์ที่รชานอีกต่างหากทําไมมันเป็นอย่างนี้ใจตรงนี้มันมาจากไหนพระองค์ก็ย้อนไปดูที่วัด ใจตรงนี้มันเกิดมาจากไหนต้นตอของความเกิดของใจตรงนี้ท่านก็ย้อนไปย้อนย้อนย้อนถูกไปเห็นเถอะว่าอวิชชาปัจจายาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณังสรุปแล้วก็คือใจตรงนี้เกิดมาจากความโง่คืออวิชชาคือตัวไม่รู้ไม่เกินกว่านั้นไปอีกเอยมองไปเลยแปล ว, ว่าเกิดมาจากความโง่มาจากตัวไม่รู้ พ่อเกิดไม่รู้อวิชชาปัจจยาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณพบชาติชรลามรณะโสกัะภริเทวุตคธโหมนัสสุความทุกข์ยากร้องให้พิไรรำพันทั้งหลายมาถึงยุคปัจจุบันเดียวนี้มาจากตัวอวิชชาต่นนี้นพระ อ, องค์ก็จะทำยังไงจึงจะชำละมันที่มันเวียนว่ายตายเกินเพราะอะไรท่านวอกเพราะกิเลส กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโลภโกรธลงอยู่ในใจดวงนี้จะทำยังไงจึงจะให้ใจดวงนี้ชำระออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะได้ท่านก็ได้ค้นคิ ด, ดึงว่ามักแปะมักแปอริยสัจทุกสมุทัยนี้โลดมัก คือมรรคแปดคือสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปวายจาระมณ์มันตัวอันชีววายจิตสมาธิสรุปแล้วก็คือศีลปัญญาศีลสมาธิตามไม่จริงต่ว่าศีลสมาธิปัญญาถ้าเรียงให้ถูกต้องนะต้องมีศีลซะก่อนถ้าคนเราต้องเป็นผู้มีศีลสำมรวมกายวายจาให้เรียบร้อย เมื่อสินดีแล้ว เ, ออเราไม่ได้ทําความเสียหายเรานั่งสมาธิจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจของเราผ่านจองความสงบแล้วจิตใจของเรานิ่งแล้วนํามาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลก็เห็นอนันในจางทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายใจของเราก็จะพ้นทุกในวัฏัะสงสารอันนี้ก็คือพระพุองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือท่านกั้นกลั่นกรองใช้ตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาการกรองพระไทยของพระองค์จนพระองค์ได้ผลทุกในวัะจะสงสารถึงแดนพระนิพพานพอจวนสวา่างทั้งบอกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่ทำที่ลําที่ทําให้เรามาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดนั้นเรากําจัดออกจาก พระไทยของเราแล้คือกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยของเราแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วใจของเราเป็นอิสระแล้วใจของเราไม่อยู่ในเครื่องคอกงําอีกแล้วอันนี้ก็คือเ อ, อพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัส ร, รู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพธิ์แต่ตอ น, นี้มาพูดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่สายหลงปู่มัน เพราะนั้นหลวงพ่อเองไม่เคยแนะนําสายอื่นนะเพราะลูกหลวงพ่อเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าหลวงพ่อบวชมาอยู่กับหลวงปู่ลาก็เป็นสิทธิ์หลวงปู่มันบายอยู่กับหลวงปู่จามก็เหมือนกันหลวงปู่พันหลวงตามหาบวณพวกเรารู้อยู่เป็นสิทธ์หลวงปู่มันหลวงปู่แหวนก็เหมือนกันสรุปแล้วก็คือหลวงพ่ออยู่ในแนวแถวของหลวงองค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์เพราฉะนั้นองค์ครูบาอาจารย์ ที่ท่านได้ศึกษาในธรรมคาสอนของออพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านก็สอนว่าการภาวนานะถ้าจะกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่พระพุทธเจ้ามันหลุดได้ง่ายนะมันเผลอได้ง่ายมันหลงส้นมันลืมได้ง่ายมันหลุดได้ง่ายให้ภาวนากรรมริกรรมสามทัพด้วยพุโทโธด้วยนะ หายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถอันนี้คือกรรมฐานความเป็นหมาของพดโถทิ่งหลวงปู่มั่นท่านสอนสิทธิ์านุสิทธิ์ของท่านจากนั้นองค์ไหนท่านก็รับเ อ, อือยอมรับกันทั้งหมดแต่ที้ท่านก่อนหลวงปู่มั่นท่านกเอนสมัยเมื่อท่านเป็นหนุ่มไปทุกหัวเหรหัวไหลแหงทุกป่ารงพงไพ่พวกเราเคยคิดไหมท่านอยู่เมืองอุบลเอออยู่ติดเ อ, อ เมืองอุบลทางทางทิศตะวันออกของเมืองอุบลท่านจะมาถึงทางนี้อีกมาถึงบ้านน้องบ้านผืออำเภอบ้านผือนะแล้วก็เข้าไปถึงอำเภอนาอยูน้ําตกทานทองน้ําตกยูงทองนะนะหลวงปู่มั่นไปอยู่ในถ้ำนั่นอีกนะแสดงว่าหลวงปู่มั่นเนีไปทกหัวไหลแห่งเนียป่ารงสมัยนั้นไม่มีทางรถไม่มีทางอะไรท่านเดินบุกดะป่าผาตรงเข้าไป แบบว่าอยู่แบบเดินพุ้รงแบบสุดๆในป่าโรงพงไผยจากนั้นท่านก็แนะนําสั่งสอนสิทธิญาณสิทธิ์ของท่านมีหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนหลวงตามหาบัวครัวอาจารย์เต็มไปหมดอแต่วัดนี้เนี่ยท่านเจ้าคุณธรรมาเจดีทราบข่าวว่าเป็นลูกศิษย์เป็นเนนขององค์หลวงปู่มั่นนะเจ้าคุณที่เป็นเจ้าวาดวัดโพทที่สมพรท่านแรกนี่นะ หลวงพ่อทราบข่าวจากครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นเนเนเนนจู่มหลวงปู่มั่นเห็นละวหูกลางๆลท่านบอกเอ๊ะเนนตัวนี้หน่วยก้านดีน้น่าจะไปส่งไปเรียนหนังสือแต่ท่านก็ได้เรียนหนังสือกลับมาเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ในภาคอีสานของเราเจากนั้นก็หลวงปู่มั่นท่านไปแสดงธรรมนสถานที่ใดมีลูกศิษย์ลูกหาอยากจะมาบวชท่านก็นำมาบวชที่ มามอบให้เจคุณธรรมะเจดีเนี่ยนะเป็นพระอุปชาบวชให้อย่างหลวงตามหาบัวก็ใช่อุปชาธรรมะเจคุณธรรมะเจดีหลวงปู่เขาก็ใช่หลวงปู่ฝันก็ใช่แต่ไม่ใช่แต่หลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศบวชที่อื่นแต่นอกนั้นโดยมากมาบวชกับเจคุณธรรมะเจดีเกือบทั้งหมดทวัดโพธิสมพรเนี่ยเป็นตกต้นตระกูลของพระกรรมฐานนะเป็นบ่อกเกิดของพระกรรมฐานครูบาอาจารย์ ที่มีชื่อเสียงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพี่สมพรเนี่ยโบสถ์หลังนี้แหละที่บวชครูบาอาจารย์หลวงปูล่ลาก็มาบวชที่นี่หลวงปู่จาที่เป็นหลวงอาของหลวงพอ่อมาบวชที่นี่อีกเหมือนกันเอจุฑาธรรมุกอาหาหนุ่นะไกลขนาดไหนสมัยนะั้นเดินไม่มีตกทางรถมาบวชนี่แหละอันนี้ก็คือสายแนวแถวสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ลูกศิษย์หลวงปู่มันท่านสอนอย่างไรใชวิธีการสอนของท่านอันนั้นคือบอกที่พูดให้ฟังคือวิธีการเดินหรือว่าการบวชการเป็นอยู่ของท่านการไปไปมาหาสู่ของท่านแต่ได้มาพูดเรื่องภาคปฏิบัติในการสอนของหลวงปู่มันหลวงปู่มัน่นท่านสอนลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าหลวงปูล่ลาไม่ว่าหลวงตาไม่ว่าหลวงปูข่ขาวท่านสอนว่าให้ภาวนาพุทโธนอะ กำหนดหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถแต่ได้มาเน้นเรื่องของหลวงตามหาบัวอีกทีเนเพราะเราเป็นสิทธิญาติสิทธิที่อยู่พึ่งท่านมรณะภาพจุตินิพพานไปใหม่ๆองค์หลวงตาของเราหลวงตามหาบัวเข้าไปท่านเรียนได้มหาปเปรียญสามประโยคพรรษาท่านได้เจดบวเจมาเจปีท่านก็ามาอยู่องค์หลวงปู่มัน แต่ก่อนหน้านั้นท่านบอกว่าท่านภาวนากําหนดลมหายใจเข้าจะไหมท่านเรียนหนังสือนะท่านกำกาภาวนาเหมือนกันนะถ้าท่านไม่ภาวนานี่ยท่านคงจะไม่ในขั้นคงจะไม่ติดทั้งฝ่ายกรรมฐานท่านภาวนาของท่านเออแต่ว่าท่านเรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยแต่พอมาเห็นปฏิปทาของหลวงปู่มั่นคงจะเป็นครูบาอาจารย์อย่างที่ว่านครูใครอาจารย์เราอย่างที่ว่าถึงจิตถึงใจเอเห็นหลวงปู่มั่นเข้าไป เห็นหลวงปู่มันถึงใหญ่รักเคารพในองค์องค์หลวงปู่จากนั้นเข้าท่านก็เข้าไปศึกษาเอหลวงปู่มันท่านก็บอกว่าเป็นไงมหาภาวนามันจิตใจมันมันหลุดกับผมเอยต้องสามทัพเขาพุทโธเขาด้วยนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธบริกรรมด้วยนะอันนี้ก็คือหลวงปู่มันท่านสอนจากนั้นหลวงตาท่าอือพอจากนั้นท่านก็เอเอเออกบริกรรมพุทโธ หายใจเข้าพุทธหายใจออกตรงให้เอาจริงจังท่านว่านะลงตามหาบัวทั้งคนท่านจริงจังอยู่แล้วท่านบอกว่าเอาเทอาบัดนี้ตั้งแต่วันนี้ต่อไปเราจะอยู่กับพุทธโธยืนกับพุทโธนั่งกับพุทโธนอนกับพุทโธลมหายใจเข้าพุทโธให้มีสติสัมปชัญญะกับพุทโธบริกรรมกับพุทธโธท่านบอกว่าวันแรกนะวันแรกในการตั้งจิตอธิษฐานว่าจะอยู่กับพุทโธ ใ ห, ให้ใจอยู่กับพุโทโธโอ้โหเออเหมือนกับเราไปจับเอออะไรพวกกระทิงพวกบัวควายที่มันดุๆนะั่นน่ะเออพอจับเข้ามามันกระโดดโลดเต้นมันจะควิดมันจะชนเออมันพยองพองตัวขนาดหนักเลยท่านวานนะเออเหมือนตับมัทนทำท่านบอกเหมือนอกจะแตกนะเออท่านลวงตาท่านบูนเออ แต่ได้พอวันที่สองเข้ามามันก็ยังพยองทองตัวอยู่พอวันที่สามเหนเออรู้สึกมันสงบแฮะมันสงบพอวันที่สีเข้ามาเออใช่ไหมมันอยู่ในอยู่ในสติสติควบคุมอยู่พอจะพอวันที่สี่ที่ห้านจากนั้นบอกกับตัวเองได้เลยว่าเอออันนี้ไม่เสื่อมแล้วนะ้ำบัดรนี่ใจของเราจะไม่เสื่อมนะแค่นี้แหละอันนี้คือความ ตั้งต้นและเบื้องต้นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในองค์หลวงตานีอันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ก่อนที่จะทําสมาธิระวจิตใจจะเข้าสู่ความสงบอย่างนั้นต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นว่าข้าไปเจ้าจะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกท่านจะไม่ให้มันเผลอมันเผลอก็จะดึงกลับคืนมามันเผลอดังกึงกลับคืนมา และก็อยู่ในความในสถานที่สงบอยู่เปรี่ยวในสถานที่หลีกเล้นฮออยู่ตามลําพังฮะนี่แหละในเมื่อเรากําหนดอย่างที่องค์หลวงตาพ่าดําเนินหลวงตาปฏิบัติอย่างนั้นแล้วจากนั้นใจพราใจของหลวงตาเข้าสู่ความสงบเน่งเน่งคตัถทวท่านนั่งตอนหัวค่ำเลยพอนั่งตอนหัวค่าพอเอนั่งไม่ลุกเลยไม่ออกจากที่เลย จนถึงสว่างพอนั่งถ้าจิตใจไม่สงบพวกเราคิดดูมันจะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้หรอกถ้าจิตใจไม่สงบนั่งตลอดคืนไม่ได้พอคืนที่สองสามสีหคืนนั่งเองท่านจนแน่ใจโ อ, อ้สมาธิของท่านนี่แน่นหนามั่นคงพนบอกท่านบอกว่ า, า, วาติดในสมาธิเปีกับหาหเดือนท่านว่างที่ท่านจิตใจของท่านเสื่อมเสื่อมปีกับหาหเดือน อแต่ว่าใจิตใจเป็นสมาธิติดในสมาธิหลายปีจำจงพ่อก็จําไม่ได้ท่านเท่าไหร่แต่เข้าไปการาบหลวงปู่มั่นอีกหลวงปู่มั่นเอ้ยมาหามันจะให้ใจิตอยู่กับสมาธิอย่างเดียวไม่ได้นะเอมันต้องออกพิจารณาเออออกพิจารณาหลวงปู่มั่นท่านก็สอนให้พิจารณาพิจารณาอะไรคือพิจารณาเกสาผมโลมาขนนัาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง มังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจคือพิจารณาอาการสามสิบสองจะพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกขได้ร่างกายของเรามีธาตุสีคือคือดินคือกระดูกของแข็งในร่างกายคือดินน้ำคือคือเลือดปัสวะเออนี่ยแหละอันนี้นะ้ำลมลมหายใจเข้าหายใจออกลมในท้องอของเราในลม ไฟ ค, คือทำให้ร่างกายอบอุ่นเผาอาหารให้ย่อยคนเรามีอยู่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟในในร่างกายของเราจากนั้นอาการคาม3าม็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหัวใจตับปั้งปืดไตปวดไตแหอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้คืออาการ32แต่ที่นี้หลวงปู่คุบายจะน้งบอกให้พิจารณาโครงกระดูกก็ได้ เคือไม่เห็นนี้จากร่างกายคือร่างกายเป็นหินรับปัญญาจะให้เกิดปัญญาขึ้นมาจะเกิดวิปัชนาได้นต้องพิจารณาร่างกายกระดูกของเราตั้งแต่กระโหลกศีรษะกระโหลกศีรษะกระโหลกคอกระดูกคอกระดูกไหปาร้ากระดูกแขนทั้งสองข้างกระดูกชี้โค้งกระดูกเจโพกกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งกระดูกฝ่าเท้าแล้วก็กลับขึ้นมาอีกย้อนกลับมาอีก แล้วก็มองอีกกลับลงไปอีกเึ้ื่อนมาอีกอย่าไปพิจารณาเพียงประเดี๋ยวประหดาวนะพิจารณาธาดแล้วลาดอีกย้อนแล้วย้อนอีกดูให้ชัดเจนถึงจะพิจารณาธาตุสีก็ตามจะพิจารณาอาการ32สองก็ตามจะพิจารณากระดูกทุกท่อนก็ตามถ้าเห็นชัดในตรงไหนถ้าเห็นธาตุสีถ้าเห็นตรงไหนที่เห็นในธาตุสีกระดูกเป็นธาตุดินเอาจิต จ ด, ด, จดจจุดจุดนั้นจอหุดจุดนั้นกำหนดจุดจุดนั้นถ้าเราเราเห็นอาการสาสสองเราเห็นตรงไหนไล่ให้เราเอาจติตจับจุดจุดนั้นที่มันเห็นชัดนะแล้วก็เมื่อพิจารณากระดูกถ้าเราเห็นกระดูกท่อนไหนตรงไหนที่มันชัดก็เอาจติตจับจุดจุดนั้นอีกอันนี้ก็คือการพิจารณาพิจารณาหรือว่าวิปัสสนาเนี่ย แต่หลวงตามาหาบัวท่ทานบอกว่าเพราะท่านจิตติดในสมาธิหลวงปู่ม okay. ั่นให้พิจารณามันไม่ยอมออกเออมันไม่ยอมพิจารณามันเหนื่อยเวลาพิจารณามาพิจารณาแล้วมันเหนื่อยมันไม่ยอมออกมันจะอยู่ในสมาธินี่ดีกว่านี่แหละมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้ะจะได้สําเร็จมรรคผลแต่หลวงปู่มั่นบอกว่าไม่ใช่ต้องออกพิจารณานะถ้าไม่ออกพิจารณานะมันไม่ไม่มีมันไม่เกิดประโยชน์อะไร ท่านหลวงปู่ท่านก็เลยดุให้หลวงตามหาบัวท่านว่านเนี่ยสมาธิท่านติดอยู่ในสมาธิเนี่ยเหมือนกับรถที่อยู่ในไป็นไงเก้าเก้า <miners> อี้หักใช่ไหมหรือเป็นลมว่ะได้ยิน ได้เย็นแต่หลวงครูบาอาจารย์รุ่นเก่าของพวกเรานะเออหลวงตามหาบัวท่านนำมาพูดให้พวกลูกศิษย์ฟังคาว่าอุปคตอุปคตคานี้เนะี่ยคืออะไรเนะี่ยเออคือลูกศิษย์ของหลวงหลวงตามหาบัวเนะี่ยมีหลวงปู่เออหลวงปู่ิ่งทองหลวงปู่ล่าหลวงปู่บุญมีตรเดี๋นี้เป็นหลวงปู่มันนะ่ะแต่สมัยก่อนเนะ่เป็นคูบาเหมือนกนแต่ใน เออท่านอาจารย์สุพัฒนเนี่หลวงพ่อสุพัฒนบ้านใต้วัดป่าบ้านใต้ใกล้ๆวัดหลวงปู่ชิงทองนะท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงตา อ, อต่อมาก็เขาก็เลยตั้งชื่อบอกพระอุปคตดเห็นไหเอ๊ะทำไมท่านจึงชื่อพระอุปคุดครั้งหนึ่งหลวงเจ้าคุณท่านอาจารย์สุภัฒนเนี่ยท่านไปภาวนา ดูที่วัดหลวงปู่ฟั่นใช่ไหมเพราะว่าหลวงปู่ฟั่นมันมีอาสงประมาณนั่งจหรับอาศงประมาณครึบหนึ่งเออแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมเขก็นั่งล้อมรอบดูๆอย่างนี้แหละแต่นี่ท่านหลวงปู่สุภัฒน์ก็กระหลวงปู่ฟั่นก็เทศเทศเทศเทศไปเรื่อยพอเทศเอาต่อเ น, นี้ไปนั่งภาวนาเมื่อกี้เนี่ฟังฟังเทศมันให้ฟังธรรมเออฟังธรรมคือฟังฟังความสงบ กำหนดดูลมหายใจเข้าออกตัวเองนะระหว่าฟังธรรมฟังเทศก็คือฟังคํำพูดนะตอนนี้หลวงปู่สุภัสท่าก็นั่งใกล้ๆอาจสงริมริมอาจสงมันนะอท่านก็นั่งพอนั่งท่านก็งายหลังใช่ไหมสิพอ nang เข้าไปมันหลับใช่ไหมล่ะเพมันเงียพอหลับท่านง่ายหลังเพิ่งแล้วกันเถอะพองายหลังเพิงเนเนพงงพ่งวันรีบลุกขึ้นมานเหมือนั้นเถะ ไอ้พวกที่ลืมตาก็มองไม่เห็นว่าเป็นหรือเสียงอะไรอย่างนั้นเพราะเพราะมันเสียงดังเร้่มตับวบปบตัเองก็ปุ๊บคุณมานั่งนิ่งแต่หลวงปู่ฟันท่านเห็นแล้วเป็นองค์ไหนท่านบอกว่าพอออกจากสมาธิทำไมอะชัดช่ายาโยมเห็นไม้เมื่อกี้เนี่อท่านเอ่อ ท่านปราบมาร ม, มันก็หายง่วงจริงๆใช่ไม้มปราบเออเห็นไหมเนี่ยท่านปราบมารเออปราบปราบความง่วงของท่านเนี่ยเห็นไหมหยุดหายง่วงเลยหลวงปู่ฟันว่านะเออตอนี้ตอนนี้็เลยตั้งเชื่อว่าปราบมารคืออะไรคือพระอุปคฤษไม่ปราบพญามารใช่ไห เออพอะอุปคฤษเป็นปราบเป็นปราบเพผู้ปราบพระยามานแต่นี้ท่านบอกลวงปู่สุภัสหงษ์มารเล่าอีกทีโอ้แต่แต่น่าอายจริงๆเหมือนกันแต่นี้พอเสร็จแล้วคนเท่าไหลายก็ไม่รู้ว่าเอ๊อองไหนวะที่หลวงปู่ฟั่นมาปราบมารเมื่อคืนนี่วะแต่นี้ยเด็กน้อยมันมานั่งมันนั่งมันนั่งภาวนามันมันมไม่นับตาใช่ไหมบัดเนี้ยเออ ผู้ใหญ่หลับตาหมดแล้เน่ยแต่เด็กมันมองอยู่เลยทีนี้หลวงปู่สุพัฒน์ตอนเช้ากับไปบิณบาตตามหลังหลวงปู่ฟัน่นหลายๆลองค์นะวะไอเด็กน้อยมันก็เขาก็ถามเป็นองค์ไหนว่าเอที่ปราบมารเมื่อคืนเพราะมันมองไปเห็นปู่พระปุรุกมานั่งเฉยบนหูเด็กน้อยคนนั้นก็บอกแม่แม่แม่องค์นี้แหละปราบมารเมื่อคืน เด็กน้อยมันก่อนดืมตาอยู่ใช่ไหมล่ะเออก็เห็นหลวงปู่อาจารย์สุพัฒนเดินผ่านไปเลยไม่ไม่ไมองค์นี้เราปราบมารเมื่อคืนเบาโอ้ยตายตายตาจะมุดดินหนีเลยคนั่นแหละเมื่อ ก, กี้เนี่ยยอมยมที่ว่านี่คงจะปราบมารแต่ละบ้าน <c oughs> เอาละว่านรกคณะสถ า, า, า ญ, ญาติโยมนาที่นี่นะการเทศนาการกล่าวสมโภชนิยกถฐากระจบเพียงทนีกอดนะนะ